ข้างหน้าถ้าใครท้อแท้ย่ำแย่ก็ลองมองหาด้านตรงกันข้ามของสมดุลดูนะถราใครกำลังถูกยกย่องเชิดชูอยู่หลงไหลฟองฟูก็ให้มองหาด้านตรงกันข้ามของสมดุลของการถูกยกย่องและเชิดชู ไม่มีดาราดังคนไหนที่ไม่โดนก็อสิบยินทายอย่างแรงๆจาไว้นะครั้งหน้าถ้ามีใครทําให้คุณท้อมองหาสมดุลและพูดกับตัวเองว่าโฮ้ขอบคุณเดอ้อที่ทําให้รู้ว่าฉันกําลังหลงตัวเองนี่งไงอาจารย์มีคนทําให้เราท้อมีคนปรมามมทมีคนด่าเรา ทำไมต้องขอบคุณว่ารำทําให้เราหลงตัวเองด้วยทําไมต้องขอบคุณว่าทําให้เรารู้ว่าเรากําลังหลงตัวเองด้วยขอบคุณอีกด้านหนึ่งที่เราลืมสำเนีเพอึงมันไงรูก้ก็ขอบทุนทุกเจ็บปวดก็ขอบทุนขอบคุณอีกด้านในตรงกัดข้าม เมื่อคืนไม้กับพิมไม้กับนิงเนี่ยเป็นปัญญาเนะมันเป็นปัญญาเมตตาี่ที่สุดเป็นปัญญามุทิตากับตัญยุตาที่สุดเป็นปัญญาให้เรารู้สึกซึ้ง ที่ไม่ใช่ซึ้งแบบเสียใจหนังรักโรแมนติกเพราะเราได้ปัญญาเราได้ปัญญานะเราเลยซึ้งถ้ายังไม่ซึ้ ง, ง, งไม่ใช่ปัญญาเพราะปัญญามีธรรมชาติคือลึกและซึ้งทราบและซึ้งจึงเรียกว่าลึกซึ้งและทราบซึ้ง เวันนี้ทาแบบฟุตแทนใครที่ยังยังเชื่อชมตัวเองว่าตัวเองปฏิบัติทาได้ชั้นสูงใครที่ยังไม่เห็นความสาละเลวของตัวเองเห็นแต่ความสาละเลวของคนอื่นไม่เห็นความยึดมั่นถือมั่นไม่เห็นความหลงในมายาไม่เห็นโลกสมดุล ไม่เห็นอีกด้านหนึ่งของความเป็นจริงเห็นแต่ด้านเดียวในคนอื่นแล้วก็เห็นแต่ด้านเดียวคือด้านดีสว่างส้องฟูในตัวเองแค่ที่ยังอยู่ตรงนั้นยังใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้ ให้เป็นขั้นตอนให้เป็นบันไดถ้ามันจะแน่นในก ล, งกลาง